12. วินยะวาระวาระว่าด้วยวินัย302วินัยคือสัมมุขาวินัยสัมมุขาวินัยคือวินัยวินัยคือเยผุยสิกาเยผุยสิกาคือวินัยวินัยคือสติวินัยสติวินัยคือวินัยวินัยคืออมูระหาวินัย อมูระหาวิไนคือวิัยวิัยคือปฏิญญาตการณะปฏิญญาตการณะคือวิไนวิไนคือตัดสปาปิยสิกาตัดสปาปิยสิกาคือวิัยวิไนคือตินนวัตถารกะตินนวัตถารกะคือวิัยวิไนเป็นสัมุขาวิไนก็มีไม่เป็นสัมมุขาวิไนก็มี แต่สัมมุ e ขาวิไนเป็นทั้งวิไนเป็นทั้งสัมมุขาวิไนวิไนเป็นเยปุยสิกาก็มีไม่เป็นเยปุยสิกาก็มีแต่เยปุยสิกาเป็นทั้งวิไนเป็นทั้งเยปุยสิกาวินัยเป็นสติ mia, 是是 er วิไนก็มีไม่เป็นสติวิไนก็มีแต่สติวิไนเป็นทั้งวิไนเป็นทั้งสติวิไน วินัยเป็นอมูราหาวินัยก็มีไม่เป็นอมูรหาวินัยก็มีแต่อมูรหาวินัยเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งอมูรหาวินัยวินัยเป็นปฏิญญาตะการณะก็มีไม่เป็นปฏิญญาตะการณะก็มีแต่ปฏิญญาตการณะเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งปฏิญญาตะการณะวินัยเป็นตัดสปาปิยสิกาก็มี ไม่เป็นตัดสปาปิยสิกาก็มีแต่ตัดสภาปิยสิกาเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งตัดสปาปิยสิกาวินัยเป็นตินวัฏฐารกะก็มีไม่เป็นตินวัฏฐารกะก็มีแต่ตินวัฏฐารกะเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งตินวัฏฐารกะวินัยวาระที่12จบ